เรื่องต่างๆทีงต่างๆในโลกนี่มันไี่ใช่แนวเที่ให้สเข้าหลงให้สิ่้ให้ฆ่าธรร่าจะเห็นเมื่ออยู่ในโลกนี่แล้วอยู่เป็นยั้งกต่ต่างมากสอบอยากอยู่เกิดเป็นไก่เกิดเป็นหมูเป็นมา้าแต่อยากอยู่นว่าะจะมาเกิดแล้วน การันต์เกิดมันกต่สิ่งผู้ยดอกว่าคนเฉียวมันไปทางแค่อยากอยู่อยู่เด็กอยากมาเกิดอยู่อูเกิดมาศาสตร์ใดหากูเกิดเป็นไตรอิทธิกาดีเขาก็ะชเอากูไปขาไปกินเพื่อเา้านย่แล้วแต่ยังอยากมาเกิดอยู่เด็คนห่ออยู่เื่ากันแตอยากมาเกิดค่าค่าคุนแนวค่าควมอยู่ความกิน กรบอกม่นไข่ดอกไปเห็ดเนว้ยให้ข้านตะ่จเจ้าของนี่หละกระบอมันค้นน้ากันนี่แหละไปเห็ดเนีแสบมากเนี้ยมันอ็ดอร่อยมากมากแล่วแต่แสบเพว่ากันมั๊กเากันค้านั่นแหละข้าแนวอยู่เนี้ยกินค่าจบข้างามอันจบงาม น, นี่กระบอกเม่นไข่ดอก ตะค้อนนี่หละมย่องแต่โน้ยวูงงามเนาะแี่ ส, ญญสิเด็ูงงามถูกจบหลายหหลายจบเพราะันเทอดาพรกันเศรษฐิดาวสันยังมันเคยเห็นบอเศรษฐิดากรได้ไปลงน้องเขาเี่นี่วาจะของงามเนี่ยนี่ก็อยากเกิดจะฆ่าฆ่าแนวมงนีแหละฆ่าชือฆ่าเสียง ต้องให้เป็นนั่นเป็นนี่เขาว่าเป็นผููมีคือมีเสียงเป็นที่นัตนะคือชาเป็นผููมีอ่าเป็นผููเกงแต่มีคือกต่ค่าซื้ออีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าใช้ดอกอตั้งซื้อเมือ่อแต่ใช่เดียวกันนี่แหละให้ไหมกรัหลงลอกกันหลงเล็ดหลอกล่อ ก, กันให้มันหลงข้า อ, อยู่นี่แหละใช่ไหม มันค่ามันค่าหลายเนี่ยวฆ่าขี้ดินขี้ดอนมู้นนะ่ะนะฮาลังเชือไปกันเอาวงคูนอยอะแยะไก่มู้นเกิด mm hmm. ว่าจังหน้อยมันติดเจริญมันหนีแต่ขี้ดินเท่ากับขี้ยูวย่วงังนีแต่ี้ยู่วังเจริญแต่ข้ขายแะ่ขีเป็นราคานะฮารังเชียหอดมันโบกันมาไก่สําตายคอนตายนี่หยกบอนส่ําขะยัดมะเกอรอี บางคนหาเงินหาท่องไปได้หลายเงี้ยค่าเงินค่าท่องแ่ะไปเกิดเซกับว่าได้เขาว่ามี่ที่เกิดเขาว่ามี่มองเกิดดีเกว่านี่อยู่แล้วกันไปว่าได้ ล, ละขอบค่าค่าอะไรเนี่มาวัดเนี่กแตมาค่าวัดที่มักเต่งมาค่าคู่บาอาจารย์่ามูค้าพวกค่าสูงเนี่ยเกิดเป็นคนนี่ยมันมาอยากให้มันมาค่าแท้ มป็นวัสดุทั้งหลายเนาะทั้งหลายค่าของค่าอยู่สมแนวต่างๆค่าอยู่กับโลกนี่มันก็พอแห้งแล้วแต่ยังไปหาเห็ดแนวขึ้นมาให้กับของข่าอีกนั่นแหะถ้ากันซ่อมเนาะแนวมันนี่แนวเบาอยู่มันนี่มันแมนเล้มันแมนข่มจริงเล้ถันบ่ซ่อมเนาะมัไ่ได้ประโยชน์นังดอกเกิอนหาเนี่กินเขาไล้กะ นอนพักควนหลับไปครับไปไข่แล้วก็นนย่างไปย่างมากโบธ น, น, น์ดนเน่ะตายเนี่ยมือนี้กับติไปงานศพยู่อีกนี่เขาตายแลยออ้วคนหนึ่งยุบันเจืองประมาณทิพย์เลดมงถ้ากันมาขึ้นรถทุบอะไรกันนี่พ้นตายก็ตายให้เห็นอยู่เขาเกิดมาเข้ากิดติดตายอยู่หันอยากเกิดอยู่ได้ตายบอยยับได้ เกดยานซุกย่านกำมินยานตายขน่ะแต่เห็นจะเกิดไม่ยุอ่เออมันฆ่าอหลีฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่าคือฆ่าเสียงฆ่ามูฆ่าพวกลังค้นขี่รถมาไม่อ๋อมาไม่ผันป่วยผันสิตายนิจจามันผันไปเพได้อีกล่ะฆ่ารถ ค้าข้าสแเนวไอ้พิชญนาาเนี่ยท่านพูดสิคนสิมมมจากทุกจากเกดียดจากดอนเนี่ยมันผู่บ่ค่าไม่จช่ไหนบ่ฆ่าพวกมันนั่งยู่ถือมื่นหูมืน่นต า, า, นาอยู่คืกกอกาหนดคิดเนี่กหนดคิดจะของ กำหนดยึดกำหนดใจไว้ให้มันอยู่ให้เข้าใจว่าทรงออกไปตั้งตากลับไปฆ้าอีหละขันตู้อึนมาซ่อมขูอึนมาจักเตือนมัง่งสะพันเทียดให้เขาได้นห็นเทียดให้เขาสั่งเขาผลฆ่าอีกละฆ่าเทียดฆ่าสั่งอีหละนี่นเข้าซ่อมเจ้าของะัะ ซ่อมเจ้าของเราซักเกือนเกี่ยวของมันยังบอมันยังบอเสียดมันยังบอใจให้แตนเท่าสิแก่เนี่ยมันมันเท่านี่แหละแกเองเนียงก็ะไดมันเท่าแก่เองเมื่อคือแนวแต่เท่าแก่เองเราบรินคิดเป็นไถ่บริสเดียดไถ่บ่อยอยากอายเขานผู้อื่นก็มาเห็นมาซักมาเกือนเนี่ยเพิ่งอยากอายเขาฟ้องเพิ่งเสียดเขาฟ้อมได้เราก็บอแก่ดอกนั่น บพราะแกเจ็บของดอกคอบอายากไอบ้านยังหิซ้อมอยู่ของนะการซ่อมอยู่ของเนี่ยแหละเม็นการภาวนานะ่ะมันเว้าวมีแล้วนะซ้อมอยู่ของเบิ่งอยู่ของนี่ยนะนี่แหละการภาวนาแกมันคนเห่าเนี่ยเป็นอยัางมันจังมันจั ง, งเป็นภาวนาขอบมันเปล่ซ่อมอยู่ของุมู้ม เท่ากั ง, งได้กังขึ้นเท่าเงีายมได้เกือบมดนั่นแหะบ่อซ่อมอยู่ของเจมาหอดมือตายคุณมันไปเจ็บไปไข้ไปป่วยกันซ่อมป่วยคุนละ่ะซ่อมหมอนง ไ, ได้หมอจมากอ๋อซ่อมใจเยูของไปซ่อมยูของบึงซ่อมบึงว่ามันอดมันทนเลยบอก่มันเจ็บกำนีซ่อมนี่เป็นอย่างแนวจริงจีนี่พี่หละซ่อมอยู่ขอ ง, ง, องออนนอ เ, องเยงยงงลออย ไ, ไม มักซ้อมเจ้าของกันสังเกตตัวเจ้าของอย่าบันสังเกตผู้อื่นสังเกตผู้อื่นใหานังเกตแต่อยากไปตักไปเกือนผื่อนอยากสอนผู้อื่นผู้นั่นกับบอดีจังสั้นผู้นี่กับบดีจงังตี้อย่าไปคุยอยากไปเว่าเขาผู้อื่นบรรเจ้าของนะนะบกซ้อมมักเบิ้งการเบิ้งเจ้าของมันเป็นกระโดนแล้วภาวนาให้ห้อง ซ่อนมึ้ยนนี่แหละเนี่ยมึงเนี่ยมึงจักมาสี่ซ่อนยังแฉะเลยซ่อนมึงว่ามันนั่งอยู่บ่เดียวเนี่ยมันนั่งอยู่บ่อมันหันใจอยู่บ่อเนี่ยซ่อนยังสี่แล้วซ่อนยังสี่ล่ะเป็นภาวนาไม่ยากหรอกแต่ิตตั้งใจเอาสิในที่ดีว่าบ่เป็นเสียเมยูเมเ่นซื่อเนี่ยเห็นพระวัดที่มาเก่งมันสงบดีอีนยังกรพร้อมอีนยังก็ดีอยากมาอยู่ซื่อ มันก็ได้อยู่ชื่อๆอยู่แล้วก็ค่อยๆเข่าไป เ, เข่าไปเจ้วน่าจะตายขึน้นเนี้ยมันภูเขามันหน้าเขามากกับเป็นว่าซ้อมเจ้าของกับซ้อมบึงซ้อมไปซ้อมมาซ้อมน้่งแข้งน้่งขาหน้าคนน้่งหลังน้่งแถวน้่งหูน้่งตาเนี่ยซ้อมไปซ้อมมามันจีซ้อมเห็นใจเจ้าของแยกเนี้ยอันรีอยู่ทั้งใ น, นอ่ะกันดอกไอ้หน้ามันจีเป็นเนะ่ะ ต้องกัไปเห็นใจเจ้าของเนี่ยน่นหลักมันจิตมันจิดีละดีเลิศระบาทเนี่ย น, น, นั่นเพื่อวิธีเหตุเนี่ยยะหาวาริวหาปูราภาริปูเรนติสารังเอวะเมวะนิโตตินนะังเเตานังอุปากับสติ อิตตังปะิตังสุมหังทิสาเมวะโสมิจตุกัพเพปูเรนจุทังกัปปจันโดปันารโสยธามิโชทิระโสยธางมิวัจจันโตสัปปา